พระธรรมเทศนาแผ่นที่92าลำดับที่29โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่18เมษายน2559เมีชื่อเรื่องว่าโรงพยาบาลรักษากายรักษาใจต้องธรรมะโอ คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนายูงและผู้ร่วมบุญทุกท่านร่วมถวายปัใจจัยในงานบุญโรงพยาบาลและงานวันผู้สูงอายุเป็นจํานวนเป็นเงินเป็นเงินรวมหนึ่งหมห้าพสิบบาททราบข่าวว่าโรงพยาบาลนายูงของเฮาล่วอยละละปีนี้บ่วไห้เนี่ยต้องพอจะเอาปีนี้ หลวงพ่อที่เอาไปใส่ในวัดหลวงพ่อจนวะหลวงพ่อสั่งสภาพหนมดไปหลายเงินลูกหลานเลยตั้งสั่งที่พักไฟอุบายิกายอีต่างหากมัดมั่งกันไปหลายในปีนี่เพราะนั่นลูกหลานเอามาให้ได้บุญหลายๆลูกหลานแล้วก็เห็นผู้ที่ล่วงรับรับขันดวงวิญญาณทางโรงพยาบาลเท่าได้ทำบุญให้ก็ให้ได้บุญหลายพร้อมกัน ลูกหลานรวมกันทำบุญในเมื่อเนี่ยวาภาษาบ้านเท่าเนาะว่าฟังง่ายเมื่อเนี่ยเป็นวันที่ส8แเมษายนพุทธศักราช2 5 5พหยห้าสบเกว่าเหนือลกพอไปไปชมอยู่บอทอยบอุดรนว่าเนเกี่ยวกับเจดีหลวงตานะเมื่อเนี่ยกันเี่แหละแต่ไม่ชั้นจู่โรงพยาบาล อำเภอนายูงโรงพยาบาลอำเภอนายูงของเราเนะี่ยทั้งพออ่อเพิินกับคณะแต่จัดทำบุญประจาปีทุกปีปีนี้ก็คือปีหนึ่งแต่ทำบุญอย่างที่เพิินระบุไวนะ้เนี่ยทำบุญและวันผู้สูงอายุในโรงพยาบาลของเข้าแล้วก็พร้อมกันท่ายกก็ได้กล่าวค่าถวายอุทิศส่วนกุศล ผู้ที่ร่วงรับดับคันไปในโรงพยาบาลกองเฮาคาวรวาดวงวิญ ญ, ญาณใดตกทุกข์ไรยากขอขอให้พ้นจากทุกข์ให้มั่นรับส่วนบุญส่วนกุศลให้พ้นจากทุกข์บอกดวงวิญ ญ, ญาณใดที่มีความสุขอยู่แล้วขอขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือข้าพวกข้าวเด็กล่าวค้ำถวายท่านขอขอให้เทพเจ้าเล่าเทวาภูม้มรรคเทวดาบอกกล่าว ผู้ที่ดวงวิญญาณที่ลวงลับดับขันไปหลงทิดลงท่างก็ให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลให้ไปสู่สุขติทุกดวงวิญญาณเ mm hmm. มื่อนี่เป็นมือที่พวกเข้าคณะสัตว์ท่ายาิโยมได้ร่วมกันทำบุญแต่หลวงพ่อต่อไปพ่ายภาคนานลูกล้านขันนะว่าพอเห็นหลวงพ่อไปงานใดก็ตามจะ mm hmm. ไปถือ หัวสาหานับพอเหตุใดเพราะหลวงพ่ออยุกแกอะไรได้ลุกล้านเลยว่าได้ทิบ่มแมนจะไปได้ทุกการทุกงานแต่หาเบิ้งแล้วเอองานนี่น่าจะไปได้เพราะว่าสุขภาพ เ, าเป็นไปได้หลวงพ่อยังไปเป็นงานงานกาาว่าเบิ้งแล็บมันไปบ่ได้หลวงพอ่อของหูในเจ้าของคือกันบ่แมนงานนั้นไปได้งานนี่ไปบ่ได้จะให้พวกเข้าเกิดเบิ้งหลังกายของเจ้าของอนะ่ะ เมื่อหาหมื่เป็นวัดเป็นไข่ไปถึงหุจักเจ้าของทอเจ้าของอันเจ้าของเบิ้งเจ้าของโอเป็นไปบดายได้ขั้นไปเขาได้หามเผ่า แ, แทะได้เลยมันสะขายขี่นาเจ้าของได้แน่ว่าจันเข้าก็จะไปไปที่ไหนพอเข้าหู่จักเจ้าของโยกานว่ามือใดเออไปได้เข้าเนี่ลูกชิ้นว่าสุขภาพร่างกายไหวเข้าจะคอยออกมา นี่คือกันนะ่ะหลวงพ่อจะไปใส่ในช่วงนี่หลวงพ่อเนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะขณะสะทัทธาญาติโยมลูกล้านบอแมนจิตเตรเลอร์ทลาไปขั้นไปกันนะ่ะพอไปเจ็บไปป่วยไปหามออกมาจากวงเขาโอ้ยหลวงพ่ออินเอ้ ย, อยขณเจ้าของบอสบายก็รอก็ะเดกก็ยังดนดา น, นมากที่บอหงจักเจ้าของในบ่อนบ อ, บอต่ให้สอนแต่ให้ผู้อื่นฮะลูกล้านกยี้ เอ่่ยตำนี้ได้จิตใน้ใจของหลูกคล้องหลานเพราะนั้นหลวงพ่อจะไปใสหลวงพ่อต้องคิดจะกรได้หลูกหลาน เ, เพราะนั้นเมื่อนี่ยคถือว่าหลวงพอ่อเดมาร่วมแต่ปีต่อไปหลวงพ่อปนิมาก็จะไปอย่างที่หลวงพอ่อเดบ่าวเด็เกล่าวให้ทุกๆลกหลานทุกคนนั่นแหละ เ, เพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลของโรงพยาบาลปีหนึ่งหัวเข่าเดมาทําบุญครั้งหนึ่ง กระโบอีกต่างหากว่าทำบุญรงพยาบาลร่องพยาบาลของเฮ้าก็เป็นที่หูหูจักกันเพราะว่าเป็นแรงชุดไทยกันนะว่ามาโรงพยาบาลแล้วรักษาบาหายกระเฮ็ดยังไงละ่ะหมอกระชุดความสามารถคือกันอาการนักขึ้นมากระลมหายตายจากก็มีมากพอสมค้วรโรงพยาบาลแล้วก็พร้อมกันกับเป็นการทำบุญให้ผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในเขตอำเภอหน้ายุ่งของเฮ้าขอหลายคนพอสมควรตั้งผู้เฒ่าผู้ใช้เฒ่าผู้เฒ่าผู้ยิ่งเดมารักษาตุ๊บหมอเป็นผู้ดูแลรักษาคนผู้สูงอายุแต่ถึงอย่างใดก็ตามพวกเฮ้าผู้เข่ามารับการรักษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งย่างโรคพ่อนี่ยลุงพ่อก็สูงอายุคือนกันได้ลูกหลานอายุเจ็ดทิพย์ จีวะหน่อยนมไรจังไรหลงพ่อเองก็รักษาสุขภาพพ่อประทังไหวคือกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเออให้พวกเข้าท่านทั้งหลายจะเป็นรักษาแต่อายุสืบๆบรไัยเล็กรักษาแต่อายุสังขารรักษาจังไรมันก็ต้องถึงจุดจบของมันสักมือหนึ่งให้เข้าคิดไหวในใจจังสันพร้อมีดอกผู้ใดสีวะตายแต่ยา่าณวตายย่าณโย แต่มันหนีโบพนในเมื่อมันหนีโบพนเฮาจีเหตย์จังไดในหลักธรรมขัมสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมขัมสอนของพระพุทธเจ้าพนวัตตายแล้วมันบวาตายระดับเลยโมเมนต์เดชมันจงเกิดต้องจะต้องไปเกิดอีกดวงวิ ญ, ญญาณออกจากร่างกายน่ยมันจะต้องไปหาเกิดอีกในการไปหาเกิดอีกนั่นน่ะเฮาได้เตรียมการเตรียมบุญกุศลเขาสู้จิตสู้ใจ เ, เตรียมเงื่อนเขา้า ใส่จิตใส่ใจห้าววอคือกันกันกบรถคันหน่งเข้าใส่มานานใส่มาสิบยี่สิบสาสิปีทุกสิ่งทุกอย่างมันหลวมมดล่ะรถก็หลอกลอก็จะพ่อหลอก เ, ออเครื่องจักรเครื่องยนต์กัสตาร์ทพอติดแหละยู่นายยู่หลังห้าวจิไปเหตุยังไงล่ะบ่นโซเฟอร์โซเฟอร์ก็แก้แก้ั่งเฝ้าอยู่หันคาบอแนแมนวอีกหัวหนส่งโฉกนันน่ะ อยู่ไปขวางทางเขากับประเณแนวอีกเขาเขาจะต้องใหย่ยออกจากทางไปไหวมองไรมองนึงเป็นปลาซาลดคู่มื่นเนี่ยก็แยกส่วนนั่นแหละแยกส่วนไปขายแยกส่วนของรถไปขายขายเป็นเศษเล็กแต่ร่างกายของเฮ้านี่ลักษณะจังสันคือนกันคนว่าเฮ้าเกิดมาอายุมากๆขึ้นมากกัน ตากระโบดีหูก็ะโบดีเออแขวก็ะโบดีเออหนังหัวเขาแมนมึดในร่างกายของเข้าไปในพอเข้าใส่มา่านั่นคือการกระโดดใส่มา่านั่นเอ่อมันก็บรโลกโคกเขกไปละ่ะอันนี้คือการนร่างกายของเข้าก็บรโลกโคกเขกไปสามมือดีสีมือหายมือหนึงกับปวดแขนมือหนึ่งกับปวดตามือหนึ่งกับปวดหูบางหนึ่งกั บ, บ, บปวดหัวเขา่า เท่าที่มาจมให้มั่นอยู่ตลอดมันก็บไดากะแม่นอยู่ให้รักษามัน่นตามอัตภาพถึงจะรักษาดีปันได้บางมีสีสุกเงินเป็นลอยล้านพันล้านปันได้ก็ตามเท่มาเปลี่ยนหมักบ่าหัวเขาถึงเปลี่ยนใดมันก็บอดนคือเก่าว่ามันกระเสื่อมอีกหมองอื่นเอกเพราะอะไรเพราะร่างกายเป็นอนันหนจังของบอเทียงเพราะฉนั้นเชียงโมนี่นให้พวกผู้เท่าทั้งหลายให้สํานึกไหวว่าออรักษาร่างกายกะแมน่นให้รักษา แต่ว่าอีกสักมือนึงมันจะต้องได้ทิมจะแทนอ่ะออเทิทมร่างกายอันนีอจะต้องเอาไปจอดทิมเอาไปช่ำและคขมันคุ่มือเนี่ยกับไปหม่ง่งเอาอะไรมันไปขายคนเอาไปไปขายเป็นเศษเล็กคนเอาไปสั่งกิโลขายแต่ร่างกายของเฮาเนี่ยมันไปสั่งจังสันวะไรพ่อหมดสภาพเึ้นมาอะไรกันนะัทญาติาพี่น้องลูกลานกัน เออเอาเสาไส่หีบใส่โล่งนั่นที่เก็้ว้ดนก็บเรมมันเม่น เ, เขาก็ไปเผาไฟทิมไปเผาไสซเซเมนอย่างพวกเข้าไปเผากันกก น, กก น, นั่นอ่ะเออพอเผาท่านึงก็หลงหาล่งโฮมหลงไหายท่านึงที่ผูกอยู่ไก่ชิดนะ ก, ก, กันผู้ยูไกลเท่าเออผู้ยู่ไกลกันนั่นอ่ะตกภายโลกสนุกสนานไปเองกงเออนั่นแหละชีวิตของปนุเท่า แต่ว่าผูธีตายไปนั่นน่ะเออเท่ากับว่าได้ถามขจ่ามููธีตายเป็นจังไดแต่พระหันตสาววกปุพุตเจ้าเนี่พนหูเดเอพนว่าตายลไปโยสายเนี่พนหูุ้่นจักเอ่หวงวิญญาเนี่ไปสายตายละเออไปเกิดเป็นยังไปเกิดเป็นเทวดานหรือไปตกนรกไปเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงชานเนี่ไปเป็นเปรตหรือไปติดไปของโยสไสไปติดจุของโยให้ยยหน้าบอเออหรือไปโยสาย ให้เพิ่นสิ่งหูจักเพราะนั้นให้พวกเข้าหูจักจีแล้วว่าพ่อพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิน่นสอนแล้วว่าตายแล้วบรสูงตายเราเกิดให้พวกเข้าสางบุญสางกุศลอย่าเพิดเพิ่อนอย่าไปดูแลเน่ยจะไปทุกข์กับร่างกายจนเกินไปคำนว่าพวกเข้าทุกข์กับร่างกายจนเกินไปดูแลร่างกายจนเกินไปมันก็มีแต่ทุกข์แสื่อ อ, อีกสักมือหนึ่งมันก็นถึงจุดจบของมันอยู่แล้ว พนันขอให้พวกเข้าประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลในเมื่อเข้าได้ร่างกายอันนี้แล้วก็นั่นไหวพระสวดมนต์นางพระวน า, าบำเพ็ญคุณงามความดีในชุมชนในสังคมของพวกเข้าอันไหนจะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนกนเออเอาประกอบคุณงามความดีสางบุญสางกุศลไปเนี่แหละให้ดูแรลร่างกายพร้อมให้ดูแลสุขภาพทังด้านจิตใจพร้อม ขั้นโบมียังกันก่อนรับก่อนนอนกับไวายพระสกอณ์อลหังสวากาโตสุปฏิปันโนย่างที่หลวงพ่อได้แจกหนังสือสวดมนต์น่ะั้นอ่านหนังสือวันดใคลูกหลานอ่านใหนฟังก็ได้ขั้นวันดมันก็ต้องได้อลาหังสวากาโตแล้วกันขั้นบันใดแท้ๆกให้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจนั่งภาวนาพพ่งตนเสาอยก่ันใดนั่งเก้าอีกก็ได้ ให้นั่งรับตาแล้วก็พุทธโธพุทธโธพุทธโธพุทธโธเนี่ยแลลือึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธเนี่ยคืออย่างคือพระพุทธเจ้าที่พระไตรจัมเร็จพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นผู้มดยศจากกิเลสเท่าระลึกถึงคนท่านผู้ดีผู้ดีคืออยัางคือดีก็คือพระพุทธเจ้าเป็นผู้เลิศประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายเพราะนั้นเท่าจะเลืลึกถึงผู้เลิศประเสริฐกว่ามนุษย์ทั้งหลายคือพุทธโธ เออเล่าลึกถึงพุดโทพุโทโธในจิตในใจเบื้งงองจันทรกับเบื้องใจของเจ้าของจิตใจเข้าสู่ความสงบเยือกเย็นนั่นแหละเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ดีมากกว่าให้ท่านอีกมากกว่ารักษาศีลอีกถ้าหาว่าทำจิตใจให้สงบได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเข้าทั้งหลายเนะี่การสร้างบุญสร้างกุศลบวแมนที่มีเงินในกระเป๋าทำบุญบวแมนเดย์รักษาศีลกัแมนภาวนานแหง้งในบุญไร้ คันหัวเข้าจักวิธีการนะคือการกับวิธีการหาเงินของเข้านะขั้นโบกขั้นโบกจักวิธีการหาเนี่ยเข้ากับเศร้าหนาเร้าหลังจากที่หาแบบไหนหาเงินแต่เพิ่นผู้หูจักหน่งเพิ่นผู้หูจักวิธีการหาด้วยหาแบบนี้หาแบบนี้แบบนหาแบบนี้เขาก็ได้เงินนี่คือกัร น, นะที่กู้บายจานลงพอลงปูหลงตาอย่างลงพอเนี่ยนะนําลูกหลานให้ลูกให้หูจักวิธีการหาโบนเขาสู้จิตเขาสู้ใจ ขานว่าพวกเข้าวัวกุจักกาบุจักวิธีการหาเนี่ยบุจักหาจังไร ห, หาบุ่นมีแต่หาเลียงปากเลียงทองหาเลียงปากเลียงทองเป็นมือมือไปโผลในชุดเ่าแก่ชรากรตายไปว่นหนา จ, จะเป็นยังสัน้นเด้พวกเข้าเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้พบพระทับข่ำข่ำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พบพระทรมคําสอนของพระพุทธเจ้าข่วนป ร, ประกอบคุณง่ามความดีหนะ้าคณะสัทธายาดย่อมลูกหลานยังโมนีละ เท่ามาจังสีถึงขึ้ประกอบคุ้งามความดีคานว่าเข้าใจสิขาเข้าเอเอผู้ขาใดไปไหวพระสวดมนตนได้สมาทานศิ้นได้ไปถวายท่านในโลงพรยาบาลมื่อนั่นเมื่อนี้เพียงคิดเพียงแค่ น, นี่ก็เป็นบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแล้วคานว่าตายในขณะที่เข้าคิดจังสีเพิ่นว่าไปสู่สวรรค์เดชเพราะเหตไใดเพราะว่าใจของเข้าเป็นกุศลจิตใจเขาปฏิเบียรเบียนผู้เอิญคานว่าก่อนเข้าจิต ใจขาดไปน่คิดโมโหโกธาผูกพยาบาล้าขาตภัยต่อภัยอันนั้นบอดีไปในทางทีบอดีเพราะนั้นพวกเข้าจัดทายาทโนมลูกหลานทุกคนเนอหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่แหละการดูแลสุขภาพกายคือคือโรงพยาบาลการดูแลสุขภาพจิตแนะนํำทางด้านจิตใจคือวัดว่าศาสนา ให้พวกเข้าไปศึกษากันเจ็บไข้ได้พ่วยกับมาโรงพยาบาลคันว่าทุกจกทุกจิตทุกใจอจิตใจเข้าเป็นทุกเข้าก่อนเนี่ยนะไปศึกษาธรรมะฟังเทศที่หลวงพ่ออัดให้ฟังเนะ่ะเอ็มพี่สามเปิดให้ฟังฟังเทปฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะออศึกษ า, าศีลรักษาธรรมรักษาเอาาาาเอ พระทําคัสอนของพระทธเจ้าศึกษาธรรมะเนี่ยนัมาประพฤติปฏิบัติล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลนรกหลานคณะทธาญาติโยมเนะาะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาใหา้พ่อ น, นบดีบุตรท <c oughs> ิส่วนกุศลเน